บัดนี้อยากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปสภาพของจิตที่ถูกครอบงำด้วยโมหะคือความหล ง, งนั้นนอกจากจะปรากฏตัวออกมาในลักษณะดังกล่าวแล้วยังปรากฏออกมาในลักษณะอื่นอีกด้วยบางครั้ง หรือบางคนก็ติดเป็นพื้นอัตยาัยบางคนก็เกิดขึ้นในบางครั้งบางคราวโดวยการกระตุ้นจากปัจจัยภายนอกบ้างโดยการเหนียบนึกเอาด้วยตัวเองบ้างอาการต่อไปนั้นคืออาการของจิตที่กระด้างต่อกุศลและธรรมทั้งหลายจึงหมายความว่าเป็นสภาพจิตที่ไม่ยอมรับคุณธรรมความดีทั้งปวง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยการแนะนําชี้แจงของบุคคลอื่นหรือจะเกิดขึ้นด้วยการเหนียวนึกมาจากจิตใจของตนเองก็ตามอาการของจิตที่ถูกคอขึ้นด้วยโมหะอย่างรุนแรงในแนวนี้จึงมีลักษณะสมบูรณ์ของอวิชชาหรือสมบูรณ์ของกิเลสถ้ามองในจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับการกระทบอารมณ์ มันก็ใกล้ า, ก, ลากับจิตของพระอาหารหันต์ทั้งหลายคือจิตพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นอกุศลลธรรมทั้งปวงอารมณ์ทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นผ่านมาทางประสาทสัมผัสจะไม่สามารถครอบงำจิตใจของตนได้ฝ่ายจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยโมหะก็มีลักษณะตรงกันครับคือจะปฏิเสธกุศลธรรมทุกชนิดแต่ถ้าหากว่า กุศลธรรมมันเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับถ้าหากว่าอากุศลธรรมมังเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับอกุศลธรรมเหล่านั้นแต่นั้นสภาพจิตในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวสองอุปมาเห็นว่าเหมือนกับทัพพีที่ใชยตักแกงแม้จะเกี่ยวข้องซุ่มแช่อยู่ในแกงนานาชนิดก็ตามแต่ก็ไม่รู้รสชาติแต่งแกงกนั้นจิตที่ประกอบด้วยโมหะชนิดนี้นั้นใช้คำว่าลีวัตถีนะคือมีอาการกระด้าง ต่อกุศลนธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะด้วยการปลุกปลอบด้วยการคมครูด้วยการชี้แจงแนะนำให้ความเป็นมิตรอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้จะไม่ยอมรับกุศลนิธรรมเหล่านั้นจะไม่รอมยอมรับรู้เจตนาดีของบุคคลเหล่าอื่นที่มาชี้แจงให้แก่ตนในขณะเดียวกันเพราะความกระด้างแข่งจิตภายในจิตมากไว้ด้วยโมฆะก็ทาให้ความจดนึกของบุคคลเหล่านั้น ไม่เป็นไปในคันลองแห่งกุศลถึงบางครั้งบางคราวก็อาจจะประกอบภารกิจการงานยัในใดอย่างหนึ่งก็ตามแต่เป็นการประกอบด้วยอาการของโมหะและโลภะเป็นแรงกระตุนต้นตื่นในขณะที่เขาทำงานก็จะมีเป้าหมายไปเพื่อสนองตอบความชั่วร้ายต่างๆเช่นว่าพยายามทำการงานด้วยความอยากเจ้าเงินเหล่านั้นไปดื่มเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวไปต้น ซึ่งถ้าดูในแง่ของการใช้ความเพียรพยายามก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามแต่เป็นความเพียรพยายามที่เกิดขึ้นในแรงดันของกิเลสมีจุดหมายปลายทางในการเพิ่มพูนกิเลสให้เกิดขึ้นในใจิตใจของตนเองอาการของจิตในลักษณะนี้สําหรับผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักแต่ก็วางใจไม่ได้ว่าจะไม่บังเกิดขึ้นเพราะอาจจะอ่อนโยนสําหรับกุศลธรรมในระดับหนึ่งแตอาจจะกระด้าง สำกุศลและทำอีกระดับหนึ่งคนนี้เพิ่งดูตัวอย่างบางครั้งบางคราวจิตใจโน้มน้อมเข้าหากุศลประเภทที่เป็นทานนามัยกุศลประเภทที่เป็นการช่วยเหลือกันในกิจการงานต่างๆคือระดับพื้นฐานของสังคมทั่วๆไปนั้นก็มีความอ่อนโยนโน้มน้อมเข้าหาคือยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งติรับไม่ได้จะมีการเชิญชวนให้สมาทานสีผ้า เรืออ จ, จะรับในชั้นของศีลห้าได้แต่ว่าถึงศีลอุโบสถก็จะมีเงื่อนไขตัวแย้งโดยประการต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับการงานเป็นต้นขั้นที่สุดก็จะไม่รับศีลอุโบสถเรื อ, อ จ, จะรับศีลอุโบสถไปได้จะอาจจะกระด้างในระดับของการบําเพ็ญเพียรในทางจิตใจเกี่ยวกับสมถกรรมฐานบางคนก็อาจจะเดินไปได้จะไม่กระด้างในจุดนี้แต่จะกระด้างในชั้นของวิปัสสนากรรมฐาน อาการเหล่านี้จึงเป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงไปได้มีทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นประนิดซึ่งข้อนี้เพิ่งเห็นได้ว่าเวลาปรากฏแก่จิตในบางขณะโดยเฉพาะในชั้นของการมันเป็นเพียนทางจิตที่เกี่ยวกับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแม้จะมีกุศลนธรรมอื่นที่ยิ่งกว่าแต่จิตก็ไม่ยอมเดินไปสู่กุศลนธรรมเหล่านั้นนั่นก็แสดงว่า แต่มาขั้นนี้ก็ยังมีความกระด้างปรากฏอยู่ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโมหะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจะปรากฏตัวในลักษณะอย่างไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่ละเอียดนั้นจะอยู่ภายในจิตของบุคคลตลอดไปสาบใดที่ยังไม่บรรลุอรหัตก็จะมีอยู่สาบนั้นแต่สภาวะต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนบางครั้งบางคราวบุคคลก็ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ว่านี้เป็นอาการของโมหะ เพราะั้นในการกำหนดประพฤติปฏิบัติในขั้นของจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงจะเป็นจะต้องมองให้เห็นถึงสภาพจิตที่ปรากฏในลักษณะกระด้างของจิตจึงเกิดขึ้นซึ่งบางครั้งอาจจะเดินคืออ่อนโยนมาในด้านอื่นแล้วแต่ก็มากระด้างอีกชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งก็ต้องเครารตรวจสอบให้รู้ว่าเวลานี้จิตของตนประกอบด้วโมหะโมหะเป็นกิเลส เป็นทางแห่งความทุกความเดือดร้อนในขั้นนั้นๆเมื่อบุคคลพิจารณามองเห็นโทษโดยความเป็นโทษกิเลสว่าเป็นกิเลสเหมือนกับมองเห็นว่าไฟเป็นไฟ ย, ยาพิษเป็นดาพิษแล้วก็จะพยายามหลีกสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เกี่ยวข้องไม่พยายามเข้าไปเกี่ยวข้องเวลาเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนก็ต้องเพี่ยนพยายามสลัดออกไปแต่ยามใดที่จิตอยู่ในจุดตรงกันข้ามกับอาการดังกล่าวแล้ว ก็พึงประคับประคองสภาพจิตของตนไว้ให้ดำรงอยู่นานเท่าไรก็จะเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติมากขึ้นเท่านั้นแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงของอาการกระด้างแห่งจิตประเภทที่เรียกว่าทีนะนั้นแก่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของแก่อยู่เสมอเปลี่ยนแปลงสภาวะของแก่อยู่เสมอบางครั้งก็กระด้างจัดอย่างคนประเภทที่ไม่รู้บาปปุลคุณโทษอะไรไม่รู้ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่มีความหยาบช้ากระด้าง แม้จะอยู่ในถ้ากลางสัตว์บุรุษทั้งหลายก็ไม่ยอมรับรู้เรื่องราวต่างๆประเภทที่เราพูดกันว่าใกล้เกลือกินด่างจะไม่ยอมรับรู้อะไรเลยนี่คือกระด้างจัดเขาเห็นได้ชัดเจนแต่ถ้าบุคคล น, นั้นเองเขาก็ไม่รู้ว่านั่นคืออาการกระด้างของจิตการเพ่งพินี้พิจารณาเห็นความกระด้างของจิตจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นอุปกรณธรรมที่สนับสนุนอยู่ในทุกกรณีแต่ในบางโอกาสกะเปลี่ยนแปลงไป จึงอาจจะออกมาในลักษณะของการทะนุถนอมตัวเองเช่นมีการจักสชวนให้สมาทานศีลบริสุทธิ์ดังกล่าวแล้วก็แปลงรูปมาในรูปของการห่วงใยตัวเองทะนุถนอมตัวเองกลัวสุขภาพจะเสื่อมโทรมกลัวจะถูกความผิวโขยเสียแทงเป็นต้นหรือกลัวจะไม่ได้ดูรายการต่างๆที่กําหนดเอาไว้เพราไปรักษาศีลห้าเอาไว้อันนี้จะเห็นว่าลักษณะกระด้างนี้จะเปลี่ยนรูป ถาบุคคลกําหนดหมายไม่ได้ว่ามีสายเชื่อมโยงมาจากแหล่งเดียวกันเกี่ยวกับการกระด้างของจิตก็จะหยุดในกุศลธรรมเพียงขั้นใดขั้นหนึ่งซึ่งหมายความว่าในขั้นที่ตนหุดอยู่นั้นก็เป็นกุศลนธรรมเป็นความดีที่ควรจะรักษาเอาไว้ให้ดํารงอยู่แต่ถ้าพูดถึงขั้นพัฒนาการทางจิตคือยกระดับจิตของตัวในสูงขึ้นประนีตขึ้นก็กลายเป็นสภาวะที่กระด้างทางใจว่าในรูปนี้ก็มีลักษณะเอียดออน มีลักษณะที่ละเอียดอ่อนขึ้นมากถ้าหากว่าสังเกตไม่รู้จักว่กา จ, จะถูกโมหะครอบงําอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งตลอดกาลนานแม้ในการติดเรื่องของสมาธิเรื่องของนิมิตในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานก็ชื่อว่าเป็นอาการกระด้างทางจิตในระดับหนึ่งแต่มีความละเอียดมีความประณีตขึ้นแต่นั้นเองอเมื่อจิตใจกระด้างในจุดใดก็ตามอาการที่เกิดสืบเนื่องมา จากความกระด้างทางจิตท่านก็ใช้คําบาลีอีกอย่างหนึ่งก็คือมิถะรวมแล้วก็กลายเป็นถีนามิถะรูปร่างของนิวนั้นปรากฏในลักษณะหนึ่งง่ายต่อการสังเกตแต่เมื่อปรากฏในรูปของโมหะที่เป็นพื้นจิตประเภทที่เรียกว่าโมหะจริตบางครั้งบางคราวก็ยากต่อการสังเกตมันไปคล้ายคลึงกับอะไรไปคล้ายคลึงกับอาการของอุเบกขาบางครั้งบางคราวคนก็แยกไม่ออก เหมือนการแยกไกลไม่ออกเหมือนการแยกระหว่างความเครื่มหลับกับสมาธิไม่ออกจนมีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าอาการเครื่มหลับนั้นคือตนได้สมาธิแล้วแล้วก็มีความชื่นชมในอาการเครื่มหลับนั้นเวลาปฏิบัติต่อไปก็พยายามให้เกิดการเครื่มหลับอีกก็มีความรู้สึกว่านั่นคือสมาธิท่านนี้เป็นเพราะ อ, อะไรเพราะอาการคล้ายคลึงของจุดที่จิตเริ่มน้อน้อมนอบน้อ ม, อมเข้าหาความสงบระหว่างสมาธิกับความเครื่มหลับนั้นใกล้ใกล้เคียงกัน แต่จุดที่เปลี่ยนแปลงกันก็คือว่าจิตที่น้อมเข้าหาสมาธิมีความสงบมีปัญญามีสติกำกับอยู่ส่วนความเครื่มความเครื่มข้าสู่ความหลับนั้นมีอาการหลงลืมปรากฏอยู่แล้วก็ไม่รู้อะไรแต่ตัวสมาธินั้นก็รู้อยู่ตลอดนี่คือจุดที่แตกต่างกันแต่ว่าจุดคล้ายคลึงกันมีมากบางครั้งก็จะแนกแกะไม่ออก อาการของมิทะในชั้นนี้ก็คืออาการที่เงียบเฉียบต่อกุศลธรรมทั้งหลายคล้ายๆกับการไม่ยินดียินรายอะไรดูแล้วเหมือนกับมีธรรมะอยู่ภายในใจแต่ถ้ามีการาวิเคราะห์ตรวจสอบให้ลึกซึ้งลงไปจะพบว่าอาการของโมเบขานั้นเป็นอาการของปัญญาถึงตรงกันข้ามกับอาการของโมหะทีเดียวโพราะเบคขาที่เกิดขึ้นภายในใจนั้น มีปัญญาเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดบังเกิดขึ้นประรบสัตว์ที่ประสบความเจริญกับประสบความพิบัติเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นเระตามปกติแล้วคนจะกําหนดคนและสัตว์ในสองสถานะส่วนมากคือกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจหรือไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาหน้าพอใจหรือรักกับชังเมื่อรักก็กลายเป็นพวกเราเมื่อชังก็กลายเป็นพวกเขาหรือว่าเป็นศัตรูของเราเป็นต้น แต่บุคคลเหล่านั้นโอกาสหนึ่งก็จะต้องประสบความิุกข์ด้วยกรรมของเขาจิตของบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่จะเกิดความเสียใจโธมนัตเมื่อคนของเราประสบความทิกข์เดี๋ยวจะชื่นชมโสมานัตจินดีเมื่อคนอื่นหรือคนที่เป็นศัตรูประสบความทุกข์นั่นคือสภาพจิตปกติธรรมดาทั่ ว, วไปแต่คนที่มีอุเบกขาบังเกิดขึ้นภายในใจจะอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกําหนดปีนิดพิจารณาว่า ทั้งหลายนั้นก็มีกรรมเป็นของของตนก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมใครทําดีก็ได้ดีคนใครทาชั่วก็ได้ชัว่วจะเป็นญาติพี่น้องของเราจะเป็นเพื่อนเ อ, อจะเป็นศัตรูของเราก็ตามก็ก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราทาให้จิตของตนมัธยัสอยู่ในท่ามกลางไม่ก่อให้เกิดความยินดีและความยินร้ายในความพิบัติของบุคคลทั้งสองฝ่ายเหล่านั้นนั่นคืออาการของเบิดขะ ทีนี้จุดที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของอุเบกขานั่นเองดูแล้วคือไม่ยินดียินร้ายวางเฉยไปหมดอาจาร์เงียบเชียบภายในจิตเวลาเดี่ยวข้องกับกุศลก็ดูแลคล้ายคลึงกันแต่จุดแตกต่างกันอยู่ตรงไหนคือจุด ท, ที่แตกต่างกันสําหรับอุเบกขา น, นเวลาสถานการณ์แกเปลี่ยนแปลงไปจิตก็จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำกับวินิจฉนาปฏิบัติให้เหมาะเจาะสอดคล้องกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคกุศลธรรมบางเกิดขึ้นอุเบกขาจะไม่สงบแต่จะรับกุศลธรรมเหล่านั้นเพิ่มขึ้นภายในจิตมีปัญญาพิจารณาสอดส่องตลอดกระบวนการของธรรมะที่เกิดขึ้นเหล่านั้นส่วนอาการเงียบเชี่ยบทางจิตนั้นนั้นก็เปลี่ยนแปลงออกมาในลักษณะคือไม่ยินดีในกุศลธรรมการกระตุ้นเตือนภายในใจของตอนนั้นแน่นอนไม่มีแม้จะมีการกระตุ้นเตือนจากภายนอกก็มีความรู้สึกเฉยเฉยกลายเป็นการเงียบเชี่ยบทางจิต แตใ่ในทางตรงกันข้ามต้อหากกุศลธรรมเกิดกระตุ้นมาจากภายนอกนอ ก, ก็รับรู้กุศลธรรมนั้นในทันทีทันใดเอาก็จริงไม่จะเงียบเชียบแต่เป็นความเงียบเชียบต่อกุศลเท่า น, นั้นเองไม่ได้เงียบเชียบต่ออกุศลทั้งหลายนั่นคือความแตกต่างกันที่ปรากฏขึ้นภายในจิตพระจัญ ก, การจาแนกแยกแยะในระดับนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้กล้องส่องกันทีเดียวคือใช้ปัญญาสอดส่องสภาพจิตที่ปรากฏในแต่ละขณะให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ เพราะบางครั้งอาการคล้ายคลึงของสภาวธรรมทั้งหลายนั้นก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ในบางจุดทำอย่างไรจึงจะจำแนกให้เห็นในจุดที่แตกต่างจุดที่ผิดผิดแผลกเพียนกันของธรรมและอาธรรมเหล่านั้นให้ได้นั้นเรื่องสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมะที่จะต้องใช้ในกรณีทั้งปวงทีเดียวอาการเหล่านี้อยู่ในนิวร ก็กลายเป็นง่วงเหงาเหงานอนซึ่งซึมนอ้อยเหงาเหนื่อยหน่ายคลั่งกายคลั่งจิตท้อท้อหดผูเศร้าซึมเป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายแต่พอปรากฏเป็นพื้นจิตที่ละเมียดละไม่ลงกลับสังเกตได้ยากขึ้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลมีปัญญาเป็นตัวสอดส่องอยู่ก็จะแยกแยะได้อย่างชัดเจนดังนั้นปัญญา จึงต้องใช้ในกรณีทั้งปวงไม่ว่าในการปฏิบัติระดับเบื้องต้นหรือระดับที่สูงขึ้นไปอย่างไรก็ตามประเด็จต้งหมายในทางพระพุทธศาสนา น, นั้นก็คือความสมบูรณ์แห่งสติและปัญญาเพราะรหั์ในทางพระพุทธศาสนานจึงได้ชื่อว่าถึงความไพ่บูรณ์แห่งสติคือมีสติที่สมบูรณ์และมีปัญญาที่สมบูรณ์อย่า ง, ทางแท้จริงเพราะฉะนั้นบนเส้นทางแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นก้าวเดินสูงขึ้นไปเท่าไหร่ ขั้นตอนแห่งการปฏิบัติสูงขึ้นไปเท่าไรตัวสติกับสัมปชัญญะจำเป็นจะต้องใช้เพิ่มขึ้นเท่านั้นถ้าปริมาณแห่งสติและสัมปชัญญะไม่เกิดขึ้นมากกุศลนธรรมเหล่านั้นก็จะไม่เกิดตามขึ้นไปถ้าหากว่าไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งกำลังแห่งสติสัมปชัญญะเกิดอ่อนขึ้นก็จะแยกอาการของโมหะที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆไม่ได้ความแนบเจี่ยวเหล่านี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียด คือจะคนบางประเภทนั้นจะไม่ยินดียินไรในอะไรในในกุศลธรรมอะไรเลยไม่ว่าจะมาในทางไหนโดยใครและวิธีอย่างไรก็ตามนั้นแสดงว่าหยาบมากไปในจิตใจของบุคคลดังนั้นแต่บางคนอาจจะเงียบเชียบในจุดหนึ่งซึ่งลักษณะกระตุน้นตื่นเร่งราวดังนั้นจะพบว่าการปฏิบัติกุศลธรรมบางอย่าง จึงเอาอะไรเข้าไปผสมปนเปนไ้เจนมีการสนุกสนานมีการรื่นเริงเข้ามาประกอบเพื่อกระตุ้นบุคคลประเภทนี้ให้ปรับจิตของตนยอมรับนับถือที่จะประพฤติปฏิบัติกุศลละธรรมในระดับนั้นแสดงว่าถ้ามีตัวกระตุ้นที่ประปนกันเช่นนี้ระดับกลางก็ไม่เงียบเชียบคือพร้อมที่จะรับรู้กุศลนธรรมเหล่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นความเงียบเชียบในชั้นอนดีต เพราะไปรับอะไรปะปนกันมามากมายเลอเกิดถ้าถึงจุดที่ไม่เงียบเชียบในชั้นละเอียดคือยินดีในกุศลธรรมทั้งหลายที่ปรากฏมาในรูปแบบต่างๆต่างระดับพื้นฐานทั่วไปและระดับกุศลธรรมเบื้องสูงแม้ว่าตนยังไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ก็มีความชื่นชมยินดีในกุศลธรรมเหล่านั้นอนุมน้อมเข้าไปหาศรัทธา ในพระพุทธเจ้าประธรรมพระสงค์ให้สูงขึ้นภายในจิตใจของตนซึ่งหมายความว่าความรู้สึกเหล่านั้นได้ทําหน้าที่เคยจัดอาการเงียบเชียบในกุศลธรรมออกไปประการต่อไปนั้นมีอาการแง้งใจในกุศลธรรมทั้งหลายอาการเหล่านี้ก็คืออาการของอุตตะคือฟุ้งนั่นเองแต่จะปรากฏขึ้นในช่วงขณะช่วงวัดหนึ่งขณะหนึ่ง เป็นอาการแหน่งใจมันเกิดขึ้นจนยกตัวอย่างว่าทําบุญตักบาตรมาตอนเช้าพอนั่งทําใจให้ส ง, งบพอจิตส ง, งบเกิดปุ๊บขึ้นไปเอ๊ะพระที่เราตักบาตรพระจริงหรือพระปลอมก็ไม่รู้นั่นคือการแหน่งใจพอแหน่งใจจิตก็วิ่งเข้าไปสู่ความเครือบแครงความฟุ้งสั้นก่อนพกฟุ้งพอฟุ้งสั้นก็สงสยัยประสงสัยก็ฟุ้งสัน้นสงสัยมากฟุ้งสั้นมากในที่สุดจิตก็สายออกไปนอกทาง ให้วความแต่งใจในลักษณะ น, นี้จะทําให้การประพฤติปฏิบัติของบุคคลมีความมีการขึ้นขึ้ น, นลงๆงเพะว่าในกุศลธารรมระดับใดก็ตามคือเกิดแต่งใจขึ้นมาแล้วจะหยุดจะงักขึ้นมาจริงหรือไม่จริงดีหรือไม่ดีควรหรือไม่ควรสภาพเหล่านี้เกิดขึ้นแม้แก่ภิกษุที่มีอุปนิสัยจะบรรลุอรหันต์เป็นพระหันได้ทีเดียวคราวนี้นั่นแสดงว่าราชกุมารซึ่งเป็น โอรสของเจ้าลิาวีพระองค์หนึ่งสระสมบัติออกบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาไปบำเพ็ญเพียรอยู่ใกล้พระนครไผ่สาลีซึ่งเป็นมาตุภูมิของท่านในขณะนั้นมีงานนักขัดเรกลือกยู่ที่กรุงไผ่กรุงไผ่สาลีท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าใกล้เมืองเสียงเหล่านั้นได้ยินมาถึงหูของท่าน ใจก็เกิดรับรก็เหนียวนึกเหนวนึกก็ตรึกตามอาการซึ่งเคยสัมผัสมาในอดีตกาลตนเป็นราชกุมารอยู่ท่ามกลางความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงต่างๆยามมีจุดเช่นนี้มีนัขัตฤกษ์เช่นนี้จะมีการห้อมล้อมโดยข้าถาสบริวารเป็นนั้นมากสนุกสนานรื่นเริงอยู่ท่ามกลางมิตรท่ามกลางสหายและมาย้อนกลับดูตัวเองในขณะนั้นซึ่งบาเพนเพียนอยู่ ก็สลดถูกใจตัวเองว่าเรานี้เลือกทางผิดหรือเลือกทางถูกกันแน่ถ้าเวลานี้เราไม่บวชไม่ไม่ไม่โกนผมไม่นุ่งผมผ้ากาสายะก็จะก็จะเบิกบานรื่นเริงบันเทิงใจอยู่ท่ามกลางเพื่อนผู้งาสนิทไม่สหายทางหลายมีความเพลิดเพลินยินดีจะทําอะไรก็ได้ตามต้องการเวลานี้ดูไปแล้วเราก็เหมือนกระถ้อนไม้ที่ก็ทอดทิ้งแล้วไม่มีใครยินดีต่อเราเพื่อนสนุกเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรารื่นเริงบันเทิงใจก็ไม่มีใครคิดถึงเราในการกระทาของเราก็คงจะไม่ถูกต้อง ในที่สุดติดก็หยุดความเพียรพยายามทั้งหมดที่เริ่มตั้งมาก็หยุดเชิงงักงันลงไปเกิดแหน่งใจว่าผิดหรือถูกกันแน่เลือกทางเดินผิดหรือถูกกันแน่เป็นต้นซึ้งอาการเหล่านี้จะปรากฏเกิดขึ้นอยู่เสมอแม้ในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่นี้เองก็อาจจะเกิดขึ้นพรอเกิดแหน่งใจขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกว่าเออการมานั่งทําความสงบอย่อยางนี้ เป็นการสละละโอกาสที่จะพักผ่อนที่จะไปเที่ยวทัศนาจรในที่ต่างๆและตั้งกระทํามาตั้งนานแล้วก็ไม่ได้รับความสงบอะไรจะรอยว่าผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิจะไม่จริงเราวิธีนี้ปฏิบัติไม่จริงเป็นต้นก็เกิดแน่งใจขึ้นมาได้ทุกทุกกรณีเลยหมายความว่าในขณะนั้นมีโมหะปรากฏอยู่แต่ปรากฏอยู่ในรูปของความแหน่งใจในตล อ, องตรงกันข้าม ถ้าหากว่าบุคคลพร้อมที่จะรับกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเพ่งปีนิดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นกุศลธรรมไม่ควรแก่การดูหมิ่นกุศลธรรมจะมากจะน้อยก็คือกุศลธรรมเมื่อกุศลธรรมบังเกิดขึ้นก็พยายามราประคับประคองจิตของตนให้ดำรงอยู่ด้วยกุศลธรรมเหล่านั้นอาการเงียบเจี๊ยบก็ไม่เกิดขึ้นหรืออาการฟุง้งอาการแหน่งใจต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน มีความอาศัยความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติแม้นว่าจะผลักอะไรยังไม่ได้ก็มีความเชื่อมั่นในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สวดสรรเสริญกันความรู้สึกเหล่านั้นเกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่งถ้าหากว่าปริมาณของปัญญาไม่พอที่จะวินิจฉัยก็อาศัยศรัทธาเป็นตัวกำกับมีความเชื่อมั่นว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระหันได้จัดสรูปและสงสแสดงไว้ยอย่างนี้ ก็ควรจะเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นเช่นนี้จริงๆแล้วธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็คงจะไม่สืบต่อกันมาตลอดกาลยาวนานและเป็นที่ยอมรับนับถือของวินญาชนทั้งหลายจิตก็จะตั้งหลักมั่นคงอยู่ได้กลายเป็นจิตที่ไม่มีการแหนงใจในกุศลนธรรมทั้งหลายแต่ว่าจะมีความรังเกียจมีความขยะแขยงในอกุศลรธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะมีอยู่มากหรือน้อยก็ตาม อาการอีกประการหนึ่งก็คือรูปของวิจิกรคิชาที่เคยกล่าวมานั่นเองแต่จะเป็นการเกิดขึ้นบางขณะบางโอกาสซึ่งอาจจะมาจากการเหี่ยยนึกของตัวเองด้วยการประรบบุคคลใดบุคคลหนึ่งองค์ธรรมข้อใดข้อหนึ่งซึ่งได้ศึกษาได้สดับมาตลอดถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในตอนใดตอนหนึ่งและเกิดสะดุดขึ้นมาในช่วงนั้นๆ และความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตึ่งในกรณีนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มเดียวกับพวกอุทจักคือความแหน่งใจที่ปรากฏรูปออกมาเป็นความแหน่งใจซึ่งบุคคลจะต้องแก้ไขได้ด้วยหลักของโยนิโสมนัิการคือการพินิจพิจารณาโดยเหตุดยผลโดยบานแยกายแล้วเมื่อจิต สลัดความแหน่งใจความเกรืออแคลงสงสัยไม่มั่นใจต่างๆลงไปได้ก็เพียนพยายามรักษาประคองจิตของตนไใ้ในฐานะนั้นๆอาการของโมหะที่ปรากฏในรูปนี้เป็นอาการที่อาจจะแปลกใหม่ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติซึ่งบางครั้งบางคราวก็อาจจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์สวดตรวจสอบจิตใจของตนนั้เห็นประจักษ์ในแต่ละขณะพยายามใดก็ตามจิตใจของตนมีความกระด้าง ต่อกุศลนธรรมทั้งหลายไม่ยอมรับกุศลนธรรมทั้งหลายหรือเงียบเชียบไม่ยินดีในกุศลนธรรมทั้งหลายรดุหนงใจในกุศลนธรรมที่เป็นอดีตความหนงใจนั้นจะพบว่าส่วนมากจะหนงใจในอดีตคือเป็นเหดียวนึกถึงอดีตการประพฤติประทของตนในอดีตทั้งอดีตใกล้และอดีตไกลแต่พอเริ่มที่อดีตได้ก็ก่อตัวขึ้นมาได้ในปัจจุบันขึ้นในขณะนั้นๆวิธีเหล่านี้ถูกต้องหรือเปล่า ทำไมจะต้องทำอย่างนี้เป็นการสูญเสียเวลาปเปล่าเวลาเป็นเงินเป็นทองมานั่งบำเพ็ญกรรมาฐานอย่างนี้ก็สูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสเป็นต้นก็จะตึกนึกไปได้เรื่อยๆด้วยอาศัยความแหนงใจเป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดขึ้นภายในจิตใจซึงจําเป็นจะต้องวิเคราะห์สอดสองให้ประจักษ์แก่จิตในขณะนั้นๆมองให้เขียนว่านี่คือการของโมหะที่ปรากฏตัวออกมาในลักษณะหนึ่งซึ่งจําเป็นจะต้องกระจัดปัดเปล่าให้ออกไปจากจิตใจ พยายามใดก็ตามถ้าพวกเหล่านี้เกิดแรงขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการกระด้างความเงียบเชียบความแหลงใจก็ตามปริมาณของปัญญาไม่มีมากพอจะทําลายไม่ได้เนื่องจากพวกนี้รับเชื้อได้เร็วเพราะว่าอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอยู่นั้นมีลักษณะกระตุ้นราคะโทสะโมหะอยู่เป็นนันมากได้รับเชื้อบวกมาจากภายนอกแล้วจะได้กําลังมาจากภายนอกจะเกิดการถดถอยในการประพฤติปฏิบัติซึ่งจะเห็นได้ว่า แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ทำให้ปรากฏแก่สายตาของบุคคลอื่นได้ั้งไปเจ้ลงมือประพฤติปฏิบัติมาไตาล่ตลำไตล่ตลำไต่ลดับมาโดยตลอดตั้งแต่ทานศีลจนถึงภาวนาในการเจริญภาวนามีการกระทาที่สืบเนื่องกันมาโดยลำดับแต่ขจัดความแน่งใจออกไปไม่ได้แล้วแกก็รับไอเหตุผลสิ่งแวดพร้อมต่าง ที่เป็นภายอากุศลมาเพิ่มพูนให้ปริมาณของความแห่งใจสูงขึ้นท่วมทับสติปัญญากองตนเองความถดถอยก็บางเกิดขึ้นจะอาจจะเคยปฏิบัติก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนขึ้นมาหรือในทุกวันสาวเป็นต้นก็จะเริ่มถดถอยออกไปและกลายเป็นค่อยๆห่างออกไปโดยลำดับดังการปฏิบัติในแนวนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นการปฏิบัติแบบถอยกลับ คือแทนที่จะก้าวหน้าก็มีการถอยกลับแต่ก็มีการถอยกลับก็ช่อว่าไม่เป็นการปฏิบัติที่ถูกตรงไม่เป็นการปฏิบัติที่ดีในตำานองตรงกันข้ามคือคือถ้าเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถอยกลับมีความแหนงใจปรากฏขึ้นต้องขยจัดมีความลังเลสงสัยเกิดขึ้นั้องขยจัดมีอาการเงียบเชีบหรือกระด้างทางจิต ก็ต้องกระจัดออกไปเพราะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นอาการของโมห ะ, ะพวกกิเลสต่ว น, นี้ก็คล้ายๆกับพวกโจรผู้ร้ายนั่นเองคือไม่จำเป็นจะต้องยกพวกร้นยิงปืนมาหน้าบ้านเสมอไปบางครั้งอาจจะมาในรูปลักษณะอื่นถ้าหากว่าบุคคลหลงเข้าใจผิดไปในขณะใดในขณะหนึ่งโจรเหล่านั้นก็อาจจะทาอันตรายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของตนได้ ยายามใดก็ตามที่บุคคลวิเคราะห์เจาะลึกลงไปได้ทุกกรณีจะมาในรูปมิตรจะมาในรูปโฆษณาขายของจะมาในรูปเอาของขวัญมาให้วันเกิดหรือจะมาในรูปอะไรก็ตามจะถือบัตรอะไรมาก็ได้แต่วิเคราะห์เจาะลึกได้ทันทีทันใดมองเรื่องเหล่านั้นตลอดสายก็เข้าใจได้ประจักษ์ชัดเจนในแต่ละขณะในแต่ละอารมณ์ซึ่งปรากฏเกิดขึ้นในเวลานั้น ก็จะตัดสินวินิจฉัยลงไปได้แก้ทางที่จะเป็นพิษเป็นภยัยแก่จิตใจตนเองได้การวิเคราะห์จิตจะเห็นประจักษ์ถึงรูปลักษณะของโมหะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดตลอดถึงการมองในมุมตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาในลักษณะที่สนับสนุนกันทั้งสองค์คือสติสัมปชัญญะและความเพียร ถ้าปริมาณขององค์ธรรมเหล่านี้มีสัสดส่วนมากพอแล้วก็พร้อมที่จะขจัดและประจักแจ้งแก่ใจของตนได้ไม่ว่าโมหะจะแปลงรูปมาในลักษณะอย่างไรก็ตาม้ะทำได้เช่นนี้ความสงบเย็นก็จะบังเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป